พจชน์นมัตตังยุตาคือการกินน้อยรู้จักประมาณในการบริโภคการกินมากเป็นอุปสรรคต่อการเจริญสติเจริญสมาธิเมื่อกินมากอาหารก็ทับขันเลือดจะต้องลงไปทำการย่อยอาหารทำให้เหนื่อยง่วงนอนขี้เกียจไม่อยากทำอะไรเลยมีแต่อยากนอนอย่างเดียว วิการโภชนาเวระมณีคือการงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเช้าวันใหม่เป็นการช่วยกำจัดการบริโภคอย่างดีและตอนเย็นพอท้องว่างการภาวนาก็ได้ดีกินพอดีพระพุทธเจ้าสอนว่าก่อนจะรู้สึกอิ่มห้าคำให้หยุด แล้วเดินน้ำครึ่งแก้วหรือหนึ่งแก้วถ้าทำได้อย่างนี้จะรู้สึกพอดีตัวเบาความเจริญความเพียรอนาปานสติได้สะดวกวิธีสังเกตเพื่อดูว่าเรากินมากไปหรือเปล่าคือหลังจากรับประทานเสร็จแล้วนั่งสมาธิได้สะดวกไม่อึดอัดไม่รู้สึกไม่สบายท้องนง่วง ไม่จำเป็นต้องนอนพักผ่อนเพื่อย่อยอาหารก็ใช้ได้ท่านให้เราพิจารณาอาหารอาหารที่สะอาดน่ากินเช่นแอปเปิ้ลห้าหลูกวางไว้ข้างหน้าเราแล้วพิจารณาแอปเปิ้ลนี้มาจากไหนมาจากดินมเมล็ดแอปเปิ้ลเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นต้นใหญ่ๆผลิตผลแอปเปิ้ลที่สวยน่ากินน่ารับประทาน แอปเปิ้ลคืออาหารเราหั่นแอปเปิ้ลแล้วใส่ปากเคี้ยวคำใหญ่ๆเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวสักหนึ่งนาทีคลายออกมาไว้บนฝ่ามือแอปเปิ้ลเมื่อถูกเข้ากับร่างกายแล้วเป็นอย่างไรท่านให้เราพิจารณาดูสกปรปกใช่ไหมเราชอบไหม การที่เข้าปากเคี้ยวกลืนลงไปอยู่ในกระเพาะท่านเรียกว่าอาหารใหม่เมื่อผ่านลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ย่อยย่อยแล้วก็ถ่ายออกมาทางทวารหนนะักท่านเรียกว่าอาหารเก่าพิจารณาแล้วดูความรู้สึกของเราว่าเป็นอย่างไรมันจะบอกความจริงบางอย่างแก่เราเราต้องพิจารณาเรียนรู้จากอาหารอาหารใหม่ อาหารเก่าพิจารณาอยู่อย่างนี้ทัศนคติจะค่อยๆเปลี่ยนไปติดอาหารเรื่องกินนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับสัตว์อย่างพวกเราก็เรียกว่าสัตว์มนุษย์บางคนตลอดชีวิตไม่ต้องทำอะไรมากดิ้นรนเพื่อกินอย่างเดียวก็มีแม้แต่อยู่ในวัดเราก็ไม่มีภาระอะไรบางทีเราอาจจะคิดเรื่องกินทั้งวันก็เป็นได้ บางคนติดอาหารชอบอาหารบางอย่างต้องกินให้ได้อาจก่อความทุกข์ความเดือดร้อนร้อนใจได้มากมายเหมือนกันกินเป็นยาการบริโภคอาหารท่านให้พิจารณาให้ดีแล้วค่อยๆฉันฉันเป็นยาเพื่อความดำรงให้ได้ของชีวิตและเพื่อเกื้อกูลการประพฤติพรหมจรรย์หรือการปฏิบัติธรรม เรียกว่ากินแบบพระอริยเจ้า6ชาคัริยานุโยคชาคัริยานุโยคคือการไม่เห็นแก่นอนนอนน้อยมีสติตื่นอยู่เสมอมันประกรอบความเพียรเพื่อชําระจิตนอนให้พอดีเราพูดว่านอนน้อยเพราะปกติเรานอนมากนอนพอดีนั่นแหละดีที่สุด ไม่น้อยไม่มากขจัดความง่วงเหงาหานอนความเสื่องซึมหดหูคือถีนมิทธะออกจากจิตใจของเราได้นอนมากคนมีกรรมมมากติดสุขมักจะนอนมากคนมีวิภาวะตัณหามากอะไรอะไรก็ไม่ชอบไม่อยากรู้ไม่อยากทำหนีจากปัญหาคือจมอยู่ในภาวะที่ไม่อยากจะรับรู้อยากนอนหลับอย่างเดียว จิตจมอยู่ในสัญญาขันหรือที่ท่านเรียกว่าสัญญาครอบงามจิตคือง่วงนอนหรือถินิทะนั่นเองถ้าเป็นชิ้นน้สมาธิวิปัสนาเกิดไม่ได้ไม่มีทางรู้ตามความเป็นจริงของขันห้าได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเบื้องต้นต้องนอนน้อยและตื่นอยู่เสมอไม่นอนผู้ปฏิบัติทำบางที ก็เนสัชิกงดเว้นอุรยาบทนอนปฏิบัติแต่อิรยาบทสามอย่างคือยืนเดินนั่งตลอดวันตลอดคืนการปฏิบัติเนสัชิกสามวันเจวันตลอดสามเดือนก็มีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการประกอบความเพียรเพื่อแก้ถีนมิทะนิวรน ผู้เริ่มปฏิบัติอาจจะนอนคือละห้าชั่วโมงแต่ถ้าปฏิบัติดีแล้วการพักผ่อนคือละสีชั่วโมงในช่วงมัชชิมยามคือสีทุ่มถึงตีสองก็เป็นการเพียงพอนอนตื่นเดียวหลวงพ่อชาสอนไว้ว่าเมื่อถึงเวลานอนให้สอนใจตัวเองแล้วอธิษฐานไว้ว่าข้าพเจ้าจะไม่เอาความสุขในการนอน ข้าพเจ้าขอพักผ่อนให้เพียงพอกับสภาพร่างกายเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเมื่อใดข้าพเจ้าจะลุกขึ้นปรารจกความเพียรต่อในทันทีแล้วเอนกายนอนอย่างมีสติเมื่อมีความรู้สึกตัวขึ้นมาให้ลุกขึ้นทันทีและไม่ยอมให้หลับต่อไปตลอดวันจนกว่าจะถึงเวลาที่กําหนดไว ไม่ใช่ดูนาฬิกาแล้วอีกสักครึ่งชั่วโมงนะอีกส5ห้านาทีนะแล้วก็หลับหลับตื่นตื่นเป็นชั่วโมงชั่วโมงนั้นเป็นอาการของกิเลสแท้เมื่อปฏิบัติเช่นนี้บางครั้งก็อาจจะนอนเพียงครึ่งชั่วโมงบ้างหนึ่งชั่วโมงบ้างสองสามชั่วโมงบ้างไม่จำเป็นต้องกำหนดชั่วโมงในการนอนวิธีนี้ทำได้ยากพอสมควร แต่เป็นวิธีขัดเกลากิเลสได้อย่างดีท้าง่วงมากหายง่วงจึงนอนอีกอย่างหนึ่งท่านสอนไว้ว่าเมื่อง่วงนอนอย่านอนไม่ให้นอนให้ปรารบความเพียนจนหายง่วงนอนเมื่อหายง่วงนอนแล้วจึงนอนพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายพักตื่นขึ้นมาจะปรารบความเพียต่อได้ ถ้าปฏิบัติอย่างนี้บางครั้งนอนไม่กี่นาทีก็ตื่นขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกสดชื่นเหมือนได้พักผ่อนหลายชั่วโมงก็มีแต่สำหรับพวกเราจะให้ปฏิบัติอย่างนี้ต่อกานหลายๆวันหรือปฏิบัติจนหมดถีนฮิตานิวรคงจะยากหน่อยการนอนเป็นกิเลสที่ละเอียดพอสมควรละเอียดกว่าการและการกินมีบางอาจารย์สอนว่า ความสุขที่สุดในโลกคือการนอนหลับความสุขของชีวิตคือแค่นั้นอดกินอดกางอดได้แต่อดหลับทำยากที่สุด ข, ของชาคาริยนุโยคคือหลับในตื่นตื่นในหลับ อ ร, รรคากรมฐานสี่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเจริญอรรคากรรมฐานอย่างสม่ำเสมอในการทำวัดสวดมนต์เราสาธยายทำทั้งสี่ข้อนี้เป็นประจำสม่ำเสมอทุกเช้าเย็นก็เพื่อให้เป็นอารมณ์กรรมฐานเพื่อไม่ให้อารมณ์โลภะราคะโทสะโมหะรบกวนถ้าเรายังมีอารมณ์เหล่านี้รบกวนอยู่ ก็จเจริญอานาปานสติไม่ได้อรคา ก, กรรมฐานมี4อย่างคือ 1. พุทธานุสติการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า 2. เมตตาการปรารถนาความสุขแก่ตนเองและแก่สัตว์โลกทั้งปวง 3. อสุภาก ร, รมฐานการพิจารณาร่างกายของตน และของผู้อื่นให้เห็นว่าเป็นของไม่งาม 4. มรณสติการระลึกถึงความตายอันจะมีแก่ตนและผู้อื่นอรคค ก, กรรมฐานคือธรรมะที่จะรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นจากภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากภายนอกและภายในได้ใครมีความโลภมากก็มีภัยมีปัญหา และมีทุกข์มากเป็นธรรมดาใครมีโทสะมากก็มีภัยมีปัญหาและมีทุกข์มากเป็นธรรมดาใครมีโมหะมากก็มีภัยมีปัญหาและมีทุกข์มากเป็นธรรมดาฉะนั้นการเจริญอรักกรรมฐานก็เพื่อช่วยรักษาใจไม่ให้เกิดกิเลสสามตัวคือโลภะโทสะโมหะนี่แหละ เป็นการรักษาตัวเราเองให้ปลอดภัยจากอันตรายและปัญหาต่างๆทั้งจากภายนอกและภายในโลภะถ้าไม่ให้เกิดอารมณ์โลภได้ก็จะดำรงสัมมาอาชีวะทำมาหากินทางทุจริตได้ไม่คิดออเอาเปรียบคนอื่นไม่ลักขโมยของคนอื่นไม่ขอรับชั่นยินดีในสิ่งที่ได้ และพอใจในสิ่งที่มีอยู่ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องกลัวตำรวจไม่ต้องติดคุกติดตารางสงครามระหว่างประเทศก็เกิดจากความโลภของมนุษย์ทั้งสิ้นถ้าควบคุมความโลภได้ก็สามารถคุม้มครองชีวิตให้อยู่ได้อย่างปลอดภัยราคะถ้าไม่ให้เกิดอารมณ์ราคะได้ก็จะรักษาศีลข้อสาม คือศีลข้อการเมได้สบายไม่ต้องแย่งสามีภรรยาของเขาไม่ต้องเที่ยวกลางคืนไม่ต้องเสี่ยงภัยจากโรคเอดกามาโรคโรคเหล่านี้ก็จะน้อยลงคนเราทะเลาะ ก, กันข่าฟันกันไม่เว้นแต่ละวันเพราะการราคะนี้มีมากโทสะถ้าไม่ให้เกิดอารมณ์โทสะได้ก็จะไม่มีการทะเลาะวิวาทกัน ไม่ตีกันฆ่ากันยิ่งถ้าเรามีเมตตาจิตแล้วคนที่ไม่ชอบเราก็จะน้อยลงโมหะถ้าไม่ให้เกิดอารมณ์โมหะได้ก็จะไม่หลงลืมมีสติดีขับรถก็ปลอดภัยคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรทุกอย่างก็จะมีเหตุผลความผิดพลาดก็น้อยลงอาสุภกรรมฐานใช้ปรับและแก้ความโลภ และราคะเมตตาใช้ปรับแก้ความโกรธมรณะสติใช้ปรับแก้ความหลงพุทธานุสติใช้ปรับและแก้ความกลัวทําให้เกิดความศรัทธาและส่งเสริมการปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้น 7. พุทธานุสติการระลึกถึงพระพุทธคุณทําให้จิตใจแจม่มใสสมองปลอดโปร่งเกิดกําลังใจแ ก, ก่กล้า เอาชนะความกลัวได้โดยเฉพาะคนที่กลัวผีและสัตว์ป่าต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดศรัทธาในการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาเอาจริงเอาจงในการฝึกเจริญอาณาปานสติภาวนาทำให้ใจสงบให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก และพิจารณาพระพุทธคุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณเป็นต้นทั้งสามอย่างนี้เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่หาที่เปรียบเทียบนี้ได้ของพระบรมศาสดาสำ ม, มาสัมพุทธเจ้าของพวกเราทั้งหลายพยายามทำใจนิ่งๆิ่งสงบรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ทำความรู้สึกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาพุทธทังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสารณะให้เกิดความยินดีปราโมดนึกบริกรรมพุทธโธก็ได้หายใจเข้านึกบริกรรมว่าพุทหายใจออกนึกบริกรรมว่าโธ นึกในใจพุทธโธพุทธโธแล้วก็หยุดพุทธโธพิจารณาพระพุทธคุณพอสมควรแล้วพุทธโธพุทธโธอีกซ้ำๆอยู่อย่างนั้นพยายามรักษาความรู้สึกปิติสุขยินดีประโมทในพระพุทธคุณน้อมเข้าไปจนถึงพุทธภาวะคือสภาวะของผู้รู้ผู้ตื่น และผู้เบิกบานให้เกิดขึ้นในใจของเราพ้นที่สุดก็จะเกิดศรัทธาเชื่อมั่นและมั่นใจในการเจริญอาณาปานสติและอริยมรรคมีองค์แปดให้สมบูรณ์บริบูรณ์นี่เป็นวิธีเจริญพุทธานุสติที่ถูกต้อง แเมตตาภาวนาอณิสงของการเจริญเมตตาภาวนา 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุข 3. ไม่ฝันร้าย 4. อมนุษย์รักใคร่หมนุษย์ทั้งหลายรักใคร่ 6. เทวดาทั้งหลายย่อมคุ้มครอง 7. ไฟสัตวุธยาพิษไม่อาจกลั่มกายแผิวหน้าย่อมผ่องใส 9. จิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเร็วสิ 10. เมื่อตายเป็นผู้ไม่หลงสิเอ็ดเมื่อจากโลกนี้ไปก็ไปบังเกิดในพรหมโลกเมื่อเจริญเมตตาภาวนาบ่อยๆจะมีอนิสง์ช่วยระงับความโกรธได้ให้เจริญเมตตาให้กับตัวเองก่อนโดยอาศัยสติสมาธิและปัญญา ให้พยายามรักษาใจให้สงบนิ่งกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าสักพักหนึ่งการแผ่เมตตาให้กับตัวเองอะหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขยกขึ้นมาพิจารณาทุกครั้งที่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกความสุขอยู่ที่ไหน ความสุขไม่ใช่อยู่ที่อารมณ์โกรธหรือเมื่อเราได้โกรธคนอื่นเราโกรธเขาเขาก็เป็นทุกข์เหมือนเราหรือทุกข์มากกว่าเรานั่นแหละเขาก็กำลังแก่กำลังเจ็บไข้ป่วยกาลังจะตายเหมือนเรานั่นแหละเขากำลังประสบกับความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เหมือนกับเรา เพราะลาบยศสารเสริญสุขล้วนเกิดขึ้นแล้วดับไปในที่สุดไม่แน่นอนไม่คงอยู่ได้ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางสิ่งภายนอกและสัญญาอารมณ์ต่างๆระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกถอนจิตถอนอุปทานจากอารมณ์โกรธน้อมเข้ามาน้อมเข้ามา ให้จิตพักอาศัยที่ลมหายใจเอาลมหายใจเป็นกัลยาณมิตรหายใจเข้ายาวๆสบายๆหายใจออกช้าๆลึกๆหน่อยหายใจเข้ายาวๆสบายๆหายใจออกสบายๆภาวนาว่าขอให้ขปเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขหายใจเข้า หายใจออกสบายๆแล้วพิจารณาต่อว่านิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ไร้ทุกข์ความชั่วร้ายของเขาเป็นของเขาไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องไปคิดไปเกาะติดยึดมั่นถือมั่นแบกเอาไว้ความชั่วของใครก็เป็นของร้อนเป็นทุกข์ทั้งนั้น เราไปยึดติดเมื่อไรก็เดือดร้อนเป็นทุกข์เมื่อนั้นถึงแม้ว่าเขาผิดจริงก็ตามผู้มีปัญญาผู้หวังความสุขไม่เอามาคิดเป็นอารมณ์ให้ระวังแล้วพิจารณาต่อว่าอาเวโรโหมิขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรตรวจตราดูความรู้สึกภายในใจตัวเองหรือสังเกตดูความลึก คิดของเราว่ามีเวรหรือไม่จองเวรเขาก็เหมือนจองเวรตัวเองทำจิตใจเศร้าหมอง